ทำทำามการตามเวลาเป็นมงคลเอินเช่ากันมาสาธยายทำพิสูตรตตองทำสอนแล้วก็ปฏิบัติทำคำสอนนั่นเวลานี่การนี่ เราก็มาปฏิบัติในช่วงสั ป, ปดาห์แห่งการถัดสโลของพระพุทธเจ้าตอนไปเล่าเมื่อวานนี้ขณะ น, นี้องค์คงจะประทับอยู่ที่โพีิบังลัง <c oughs> ก็า้าปหนูภาพดูี่มพความสำเร็จขนาดนี้ของจะทบทวนเป็นมาอย่างไรเปลี่ยนแต่งมาขนาดนี้เกิดอะไรขึ้นมาทำอะไรบ้างในพระสูตรก็กล่าวว่าทบทวนปฏิจาสมุปปบาทที่ <c oughs> <c oughs> ทำให้เกิดขึ้น ตามลำดับเพราะฉิงนี่มีฉิงนี่จึงมีสิ่งนี่ไม่มีฉิงนี่ก็ไม่มีดูจักที่ไปที่มาันเดินทางถึงจุดหมายปลายทางแล้วอ่างตัวไหนที่ผ่านมาก็ลำดับดูไม่ผิดแน่นอนได้ชด บันทึกลงไปในหัวใจในชีวิตของพระองค์ว่าถ้าจะเป็นโอเพิเเตอร์ก็ จ, จดลงไปที่ชีวิตจริงๆมันเป็นชีวิตในส ป, ปรานี่เจ็ดวันนี้ทบทวนเรื่องนี้เพราะคนมีความสำเร็จสูง ปุถุชนสามัญชนทำให้เกิดทุทธภาวะขึ้นมาโล้แจ้งโลกรล้จบทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดอยู่ในกายในใจดวงพุ่นในทุกอย่างก็รับดับได้ดีมั่นใจ วางเผนที่จะไปสอนผู้อื่นเมื่อได้ชิ้นใดดีเขายอมคิดถึงคนอื่นเหมือนพ่อแม่ได้ของดีเขายอมคิดถึงลูกมั่นใจเป็นประโยชน์ขนาดนี้หลุดพ้นมขนานที่จะอยู่นิ่งไม่ได้ เลย้นสัปราหที่สองก็ในพระสุก็มองสีมหาโพอย่างไม่กระพิปตามีความมั่นใจมีความภูมใจในต้นสีมหาโพอย่างไม่กระพิปตา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 เป็นพุทธบริจัทแตทำอย่างไรมันก็อยู่ที่ตัวเราทุกชีวิตนอมมาใจตัวเราแล้วเราก็ยินได้ฟังคำทเทศอนคำสอนไปเข้าสูต่ต่างๆมาได้จนเลย คาเทศคำสอนในประสูตรนั้นก็มาอยู่ที่กายที่ใจเรานี่ยเราก็เห็นกับอยู่อะไรเป็นเป็นสิ่งที่ผิดอะไรเป็นสิ่งที่ถูกทําให้เห็นสิ่งที่ผิดที่ถูกคือทำอย่างไรเราก็ทําได้มีสติดูกายดูจ้จ อันไหนที่มันเกิดขึ้ น, นกับากมามันแสดงว่าเห็นหมดความผิดความถูกสิ่งที่เกิดขึ้ น, นกับใจความผิดความถูกก็มาให้เห็นหมดเปิดตัวเองมีสติดูกายกรรมวิชากกรรมฐ า, านที่พระพุทธเจ้าได้บาเพ็ญมาหนั่งคู่ฉันเข้าเหยียดฉันออก นิสติสิ่ที่เกิดขึ้นกับกายก็สักแต่ว่าสิ่งที่เห็นสูบเป็นทุกข์ก็สักแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจกับใจก็สักแต่ ว, วา่าเป็นคําตอบของสติตอบได้ทุกเรื่องที่มันเกิดกับกายกับใจเรานีง สัญแจ้งตามความเพดความจริงเป็นเจนที่วัดได้ถ้ามีสติเราก็มีได้ผู้เขียนเข้าเหยื่อสัญออกผู้ถึกตัวเราก็รู้ได้เป็นความรู้ที่เป็นเจ้าเรือนอยู่ในการโอกาสเป็นที่ตั้งเขายอมสนญสิญ่งที่มันเกิดขึ้นแน่นอนที่สุด ไม่มีใครไม่เห็นเห็นที่ตรงกนข้ามที่อยู่ก็เห็นความหลงในรูปแบบต่างๆเกิดกับกากับใจมันก็คือความหลงเมื่อเราฝึงหัดไปก็เห็นได้เปลี่ยนหลงเป็นความรู้สึกตัวเปลี่ยนแนวาเปลี่ยนเล่าโดยเฉพาะในเรื่องของ เกิดของหนามมาทำนี่มิจฉาชีพเกิดจากความคิดมากายพอให้เป็นสุขเป็นทุกข์จากความคิดเกิดไหลขึ้นต่างไม้เกิดจากความคิดแล้วก็เราเห็นมันกสักตะว่าบางทีก็เกิดจากความคิดกรรมการที่กเกิดขึ้นมา เป็นพวงไปถ้าเรารู้จักตัวความรู้จักตัวกลับมาที่กับมาฐานสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็ไม่มีค่าแล้วก็ทำได้ความหลงเกิดขึ้นมาเป็นความรู้ความสุขเกิดขึ้นมาเป็นความรู้ความทุกข์เกิดขึ้นมาเป็นความรู้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 ความโความโลภนี่ไม่ใช่เรื่องศัจธรรมเป็นสมมติบัญญัติปนาการที่เกรืของกับความหลงบัญญัติเอาที่ว่าดีที่ว่าไม่ดีที่ว่าเหตุที่ว่าถูกที่ว่าสุขทว่าทุกข์ที่ว่าชอบไม่ชอบถ้ามีสติก็จะเห็น มันหลงก็เห็นมันหลงเท่ากันมันลู้เห็นมันลู้มันสงบก็เห็นมันสงบมันฟุ้งซ่านก็เห็นมันฟุ้งซ่านมันผิดก็เห็นมันผิดมันถูกก็เห็นมันถูกนี่คือสติจึงเป็นสัจธรรมตาโศกเป็นสศกทุกข์เป็นทุกข์ผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกสงบเป็นสงบฟุ้งซ่านเป็นฟุ้งซ่านไม่ใช่สัจธรรม เราจึงมีวิธีทำที่ที่ทำได้ให้สัมผัสเอาเมื่อเราเชิญป่าดาก็รู้จักสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นจะิยธรรมและเป็นสมมติมันก็ไปถึงเหนือแบบนี้ถ้าเห็นทัดสุขเป็นสุขทุกข์เป็นทุกข์ มันเป็นรสของโลกต่อเห็นมันสุขเห็มันทุกข์มันเป็นรสของธรรมรถของธรรมย่อมจะรสท่องปวงเห็นมันสุขเห็นมันทุกข์หนึ่งเป็นรสเดียวรถของโลกมีหลายรสแต่รสของธรรมมีรสเดียวรถ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 สัมผัได้กับชีวิตของเราจริงๆไม่ใช่ไปมีคำถามมาลายอาไรมาเกิดขึ้นมาอาอยาดวนรับวนปฏิเสธให้รู้สชกตัวกับมาหาที่ตั้งไว้ก่อนอย่าคำตอบจากความคิดเราเคยชินต่อคำตอบจากความคิดหลัดนี้ให้มีสติอย่าเพิ่งตอบมันกลับมารู้เชือ ก, ก่อน อะไรให้มาลงที่รู้สึกตัวเจ๊ ก, ก่อนการฝึกใหม่ๆแต่รู้สึกตัวก็ถือว่าฝึกตัวเองถ้าไม่รู้สึกตัวยังไม่ได้ฝึกเลยเธอสุกเพป็นสุกไม่รู้สึกตัวยังไม่ได้ฝึกความคิดปล่อยให้ตัวเองคิดไปยังไม่ได้ฝึกอุปกรณ์เมื่อคนคิดในลงที่คุนคิด ไม่มีสติหรือว่าเป็นคนเกียดข้านส่วนผู้ใดเวลามันคุยคิดในลมที่คุยคิดแต่ไม่มีสติหือว่าเป็นคนขยันเหมือนคนปลาลกควาเพียรความเพียรความเกียดข้านไม่ใช่ว่าจะเดินนานๆจะนั่งแน่นนานมันเป็นการกระทําทางจิตการลาเพียนทางจิตไม่ใช่การกระทําที่มัน เน้นที่กายอย่างเดียวเอาการกระทําอย่างอื่นที่เป็นที่ตั้งไว้ใช่เดินแปชั่วโมงนั่งแปดชั่วโมงนั่นถ้าปล่อยตัวคุยคิดในรมที่คุณคิดมังเหงาหนอนมันก็ยังเป็นคิดว่าเป็นคนเกลียดข้านอยู่ส่วนผู้ที่ไม่เกลียดข้าน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 อยู่ในอริบุไหนมันก็เกิดได้ึังให้มีสติให้มันทนันเพราะเราเคยฝึกไว้ก็จะได้ใช่ให้มันทันกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาโต้อตอ บ, ตบทักท้วงตรวจสอบเราเห็นสิ่งเดียวเห็นเกิดเห็นหลายข้างหลายโหนเมื่อเห็นสิ่งเดียวที่มันเกิดขึ้นหลายข้างหลายโหน เกี่ยนความคิดอาจจะเกิดมากกว่าทาั้งทางรูปธรรมทั้งกายเรื่งทางกา ย, ากายมีวัตถุที่ทําให้เกิดขึ้นมามีตามีหูตาก็จะเห็นแต่เมื่อมันมีรูหูจะได้ยินแต่เมื่อมันมีเสียงจมูกจะได้กินก็มันมีกิน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 เวลามันชีกขึ้นมาก็อย่าไป ไ, ไปถึงความพอใจความไม่พอใจให้รู้สึกตัวซะเวลามันชีดขึ้นมาไวๆเล็กน่อยโดยจากความคิดที่ไม่ตั้งใจนี่เป็นตัวสมุทัยสังคร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 เราจะกลับมาลู่ฉกตัวซะให้เปลี่ยนมาลู่ฉกตัวซะอย่างคำตอบทำใหม่ทำใหมไม่มีคําว่าทําไมปฏิบัติทำทําไม่ม่เกิดจากความคิดมันมันเป็นไปจะแล้วจึงมีคําว่าทำใหมสติไม่มีคําว่าทําไม สติจะเป็นติดแยงว่ารู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วเมอรู้หมดแล้วไปแล้วเมื่อรู้หก็แล้วไปแล้วรู้สึกตัวก็รู้ไปแล้ ว, ล ว, ว, ลวยิ่งมีวิชีกพำปาฐานกลับมาหาที่ตัง้งก็ยิ่งมั่นคงมากขึ้นได้พลังมากขึ้นได้พลังความรู้จากความหลงความหลงทำให้เกิดความรูท้ทุกครั้งทุกคราว ความสุขทำใม้เกิดความรู้ทุกข้างทุกข์ข่าวความทุกข์ทำใหเกิดความรู้ทุกข้างทุกข์กข่าวอะไรที่ไม่ใช่ควงมรู้มื่อให้เกิดควงมรู้ได้ทั้งหมดสิ่งที่มาเกิดขึ้นกับกายกับใจนี่ให้ไปทางนี้ก่อนตัดสิ่งใจง่ายให้แน่วแน่ให้มั่นคงอย่าเพิ่งไปแปะร้องแวรกับสิ่งอื่น เห็ในใดที่เกิดขึ้นวบบกายกับใจให้มาถึงความรูม้สึกตัวให้มันลงตัวตรงนี้เจ้งกิเรียกว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติก็คือโต้อตอบทักท่วงตรวจสอบเปลี่ยนร้ายเป็นดีอันดีก็ถือว่าสมมติพูดเฉยๆเดอเปลี่ยนผีเป็นถูกก็ถือว่าสมมติพูด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 ตอบไปอีกคือเหมือนเราเห็นงูเห็นงู อ, อ็หนีจากงูพ้นจากงูก็ไม่ถูกงูขัดมันจากนี้คือรูปหลุดความรูปที่เป็นดวงตาภายในคือศีลคือสมาธิคือปัญญามันเป็นการหลุดพ้นไม่ใช่เหมือนตาเนื้อตาเนื้อมันเห็น เห็นแล้วก็ทำไม่เกิดจงว่าปัญญอดพอใจไม่พอใจถึงใจนั่นเราจึงพยายามฝึกให้สติมันเจกก็้ให้มันมากขึ้นมามากขึ้นมาโดยเอาใส่กรรมาฐานอย่าให้อืนอ่นมาแสงว่อันเมื่อมันอืนอ่นๆเกิดขึ้นก็พยายามที่จะมีสติ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 เพื่อจะความคิดมันเจ็บเมื่อเจ็บตัวมันเจ็บปวดบาว้ากลัวคนอื่นทําให้เราเป็นทุกข์คนอื่นด่าเราเราไม่เจ็บปวดมากเท่ากับเราไปด่าเขาเราไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนมันเจ็บปวดบาว้ากลัวคนอื่นที่ทําให้เราเดือดรอนมาะเช็่อความผิดของเรา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 อันหยาบที่ฉุดแต่คนส่วนใหญ่คิดว่าตัวเองทําให้คนเดือดร้อนหถือว่าไม่เป็นหลายคนเดือดร้อนแล้วเราเดือดร้อนถือว่ามันยอมไม่ได้ไม่ใช่แบบนั้นนะแล้วห้ามเขาไม่ได้เขาที่ทําร้ายเราหรือเขาจะด่าเราอิจฉาเราเราห้ามเขาไม่ได้ในโลกนี้จะโลรห้ามเราเนี่ยห้ามได้ มือนเสือมันลอยมันอยู่ในป่าจะไปฆ่าเสือให้ตายหมดมันเป็นแบบไม่ได้แต่เราต้องดูแลเราให้ปลอดภยัยอันนี้คือสัจธรรมความทุกข์ที่เกิดจากทําให้คนอื่นเดือดร้อนเดี๋มันหมกหมุมมันเป็นกรรมจริงๆแต่คนอื่นทําให้เราเ ด, ดือดร้อนเขาเป็นกรรมของเขาไม่ใช่กรรมของเรา มันก็มันก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันแล้วก็ยอมรล่ว่าเออมันเป็นอย่างนีน้ในโลกนี้เช่นคนเดินหลงคนเดินหนึ่งไม่หลงคนหนึ่งที่หลงทำให้เราได้ผิดพลาดได้เช่นเดินทางกับรถเดินทางาด้วยการคนหนึ่งหลงคนหนึ่งหลับเราไม่ได้หลับเขาก็มาชนเราถึงตายได้เหมือนกันแต่ไม่ใช่ความผิดของเรา เป็นความเดชของคนอื่นแล้วก็เป็นอย่างนี้แล้วนี่ถ้าจะให้อะไรมันถูกทั้งหมดมันต้องเริ่มต้นที่ตัวเราทุกชีวิตจวนก่อนให้มีสติดีๆจะได้ไม่หลงจะอยู่กันด้วยความสงบร่มเย็ น, ยนจะไม่ได้เบียดเบียนกนนันแต่ยิดมันก็ขมคือ่อมมันทหน้านไม่เฉลียหลับร้ายมากร้ายความคิดนี่ นี่เป็นมาตรฐานของชีวิตชาวพุทธชีวิตชาวพุทธต้องเป็นชีวิตแบบนี้ไม่เบียดตนเดงเด็ดไม่เบียนไม่เบียดเบียนตนเดงเด็ดขาดไม่เบียดเบียนคนอื่นเด็ดขาดนี่เป็นมาตรฐานที่ต้องไว้เด็ดขาดนี่คือชาวพุทธที่แท้จริงอยู่ที่ไหนก็สร้าง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 เราจึงต้องฝึกตนสอนตนที่เพื่อจะอยู่ในโลกแม่มันเกิดจากคนเดินงเงินแล้วก็เพระมากอยู่แล้วแต่มันเกิดจากเรานี่มากมายเหมือนกันนะเช่นความหลงตนหลงเป็นหลงเนี่ยไปชั่วบ่อยมากกว่าถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือ น, นขนโคลถ้าหลงเป็นหลงไปชั่วบ่อยเท่กับขนของโค ไปสู่สุกติเท่ากับเขาโคมันกลัวตรงนี้แต่ทุกเป็นทุกไปสู่อวบายเท่ากับขนโคไปสู่สุกติเท่ากับเขาโคกลัวมากตรงนี้มันจึงต้องระวังกันตรงนี้ชีวิตขอเราระวังตรงนี้ให้มันปิดอบายได้หลงเป็นลูกอะไรที่มันเกิดขึ้นมา เปียนมันเป็นลู่ทั้งหมดเนย่างถ้าหลงเป็นลู่ไปสู่อบายเท่ากับเขา ข, ขู่ไปสู่สุขติขบขนขู่สมเบิดตาอย่างนแน่ถ้าเป็นบุญเป็นบาปก็เป็นอย่างนี่บุญก็คือคือลูน่นบาปคือไม่ลู่บุญคือลู่บาปไม่ลู่พอลู่ก็ มันก็ดีแล้วเป็นใจใจก็ดีบาปก็ไม่รู้ใจก็ไม่ดีใจก็ร้ายใจร้ายก็เป็นนรกใจดีก็เป็นสวนรรค์ไปซะเพราะไม่มีทุกข์ไม่มีความดอดร้อนถ้ามีสวรรค์ก็เป็นสวนรรค์แบบนี้ไม่ใช่ตายแล้วจึงจะไปถ้ามีนรกก็มีนรกแบบนี้ ทำบาปเองย่อมเส้าหมองเองไม่ทำบาปเองก็ย่อมหมจดจดตัวเอง ก, งการหมดจดด้วยการเศ้าหงเป็นของใครของมันทำให้งานไม่ได้ <c oughs> ต้องมีแตะเพียงกันสอนวิธีให้ปฏิบัติให้กระทําเอาเองจึงนั่นก็เป็นการทําบุญนะปฏิบัติทำเป็นการรักษาชิน รู้จากปุ้นรู้จากบาปมันคือรู้ไปอย่างนี้มันก็อยู่ที่กายที่ใจเราดีมันไม่ใช่อยู่ที่ไหนไม่ได้ชื่อไม่ได้หามีเงินเท่าไหร่ก็ชื่อมาได้ใจดีใจเย็นเนี่ยชื่อเอาไม่ได้ต้องทำเอาต้องทาเอาไหมไ ม, ไม่ไม่ใช่ไปชื่อเอาไม่ใช่วิธีอื่น บนในจารณาคือบนที่กายที่ใจนี่ไม่ทำชั่วไม่คิดชั่วไม่พูดชั่วนี่มีสติเต็มที่อายความชั่ ว, วกลัวหมาไม่แต่คิดก็อยากจะลูปหัวใจอที่นี่ถ้าเราดื้อด้ก็เฉยได้นะคิดไหไรก็คิดได้บาีก็เป็น แบบเป็นโจรเป็นผู้ลอยทับลอยต่างๆทำชั่วเพราะความคิดทำดีเพราะความคิดให้ความคิดพาทำไม่ใช่จริงจังเสมอไปต้องมีสติจับความคิดมาใช้ไม่ใช่ความคิดใช้ใช่ใชกายใช่ใจของเราแต่นี่ใจความคิดมันใช่ใจเรา มาอยู่ที่ใจเรามาเป็นทุย่อมใจบางทีเราก็ถือว่าความโกรธคือใจเราความทุกข์คือใจเราทุกใจทุกใจความโกรธคือเราคือใจเราเป็นคนใจโลนบางคนก็มาบอกว่าผมเป็นคนใจโลน บางก็เพื่อนบอกว่าเพื่อนผมเป็นคนใจลนโลนรู้ความผลผลไม่ใช่มันไม่ใช่คนใจร้นมันอาการที่เกิดขึ้นกับใจต่างหากไม่ใช่ใจอย่าเอาความร้อนใจร้อนมาเป็นใจเป็นอาการเหมือนมาอาศัยใช้เหมือนสะละหลังนี้ สี่งที่มาอาศัยใจก็เหมือนพวกเรามาอาศัยสาราหลังนี้เป็นค้าเป็นที่เป็นผู้ปฏิบัติสาราหลังนี้ก็สะอาดเรียบร้อยเป็นระเบียบอ้โจรผู้รอายมาก็เฉี่ยหายถ้าหมามาก็ลกหลงหลงังถ้างูมาอยู่อาศัยก็เป็นพิษเป็นพายใจเรานี่ก็เหมือนกัน ถ้ามีาพาะมาอยู่จะในหัวใจเป็นคนดีประเสริฐใจดีใจเด่นถ้าเป็นผีมาอยู่ก็ใจร้อนเราจะพูดถึงการปฏิบัติธรรมมันเป็นการตกแต่งจิตใจเป็นการสร้างประมีเป็นบุญจริงๆนี่ได้บุญจริงๆมีบุญจริงๆ แต่ก่อนไม่เคยเห็นบุญไม่รู้จักบุญไม่เคยกลัวบาปเพราอมาสร้างเสถียรู้จักบุญรู้จักบาปมันเลือกได้ชีวิตเหล่านี้มันเลือกได้จะว่าเป็นชาวพุทธแน่น อ, อนชาพูดตรงแสดงออกไม่ใช่เป็นจะเพียงชื่ออยู่ที่ไหนแสดงความเป็นชาวพุทธมีความดี เกิดขึ้นในการพูดการคิดการกระทำไม่เบี่ยเป็นตนเองไม่เบี่เป็นคนอื่นมันเป็นบุญบุญคือรู้บุญคือใจดีไม่ใช่ใดีใจใจมันดีมันจึงทําชั่วไม่ได้อันดีใจที่ไม่ได้ดา่าเขาก็ดีใจนะเด็กข้าเขาก็ดีใจไปเลิขมโมยได้เงินได้ทองมันก็ดีใจอันใจดีมันทําชั่วไม่ได้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 เพราะเมื่อฝึกได้แล้วมันก็ไม่นนไหนีไปไหนมันมีที่อยู่มีปกติบ้านขุงจิตมีปกติเป็นที่อยู่ว่าจะฐานไม่ฟูไม่แฟบถ้าจิตไม่ปกติถือว่าจิตไม่มีบ้านจิตจนจิตอภพเขาหัวเพี่ยวไปไหนก็ไปเมือคืนว่าฝานกลางวันว่าคิด บางทีความคิดก็หยุดความคิดไม่เป็นบล่อให้นอนไม่หลับปลยในไม่ได้ปเป็นสุกเป็นทุกบ่อยไปกับโถมคิดนั่นถ้าเราไม่หัดมันกรร้ายในใจของเราเนี่ยมันมีโรคมีเจ็บเปิดมีสุรกกายมีสัตว์โดารมนุษย์คนเราเนี่ยมันมีมันสมองสองชั่วก็ชั่วสําเร็จ ความดีก็ทํานี้ได้สําเร็จ ม, มัมีบั้นสมองมันมีมือมีอาวุธมีเครื่องมือเครื่องมือทําความชั่วก็มีเครื่องมื อ, อ, มอทาํวความม ค, ทความดีคือกายคือใจเราเนี่เมื่อกายใจมันเกิดความดีก็มีเครื่องมืออืองเกิดขึ้นมามีฉินมี ทำก็มีความพูดจาปาใสขบความเท็จความจริงช่วยกันเป็นเห็นคนหนึ่งก็ช่วยกันไม่ให้หลงเห็นคนหนึ่งทุกคนรู้จักช่วยกันไม่ทุกห้ามกาันอย่าโกรธแตเพื่อนเลยอย่าโกรธึงเพื่อนเลยไม่โกรธไม่ได้ไม่โกรธไม่ได้ไรดู้จจกแก้ไข ทีนี้คนนั้งโกรธคนนั้งก็โกรธตามคนที่โกรธก่อนอาจจะไม่เป็นบาปมากเท่ากับคนที่โกรธตามคนที่โกรธก่อนเขางู้อยู่แล้วคนที่เกรดตามเขาก็งู้ไปถ่กเขาอยู่เห็นเราก็เห็นอย่างนี้เขเห็นตัวเราเมื่อเห็นตัวเราแล้วก็เป็นเจนฑ์ขี้วัดไม่ถูกต้องเราจึงโดยบ้านสถานของกันมาใช่ชีวิต ไม่มีอะไรที่จะจุดษาจบกันแล้วว่านะไม่มีอะไรที่จะลุกไปเป็นแบบนี้ที่ถิมานะอาศัยการอาศัยใจมาได้มีแต่ภูตธรรมชาติต้อมความเท็จความจริงที่มันมีในการในใจรวมไปเที่ยงมันก็เป็นอย่างนั้นไม่ใช่เป็นทุกข์เพราะมัน ก็เป็นทุกว์ก็เป็นอย่างนั้นไม่ใช่เป็นทุกข์เพราะมันก็ไม่ใช่ตัวตนก็เป็นเรื่องของมันไม่ใช่ตัวเราหลังที่เราสวดก็สูตรสงสารทั้งหลอยมีความเฉื่อมไปเป็นธรรมดารูปทอมนามธรรมตั้งหมดทั้งเท้นมันไม่เที่ยงไม่เป็นทุกข์เกิดขึ้นแล้วจเจ็บเจ็บตายไปรูปทอมนามธรรมทั้งหมดตัิงนไม่ใช่ตัวตน ไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่ตนของเราเห็นได้ไม่เที่ยงเจนนันเป็นทุกข์เจนได้เป็นทุกข์ไม่ควรถือว่าเราเราก็สวสดอย่างนี้ก็ เ, เห็นอย่างนี้จริงๆไม่ได้เป็นทุกข์เวราะไม่เที่ถถยงไม่ได้เจ็บภวมเจ็บไม่ได้ตายภวมตายมี่สติมันเป็นอย่างนี้นะ ไม่ใช่ความเจ็บผู้ความเจ็บเราจะบอกเห็นมันเจ็บไม่เป็นผู้เจ็บเห็นมันตายไม่เป็นผู้ตายไม่ตายผู้อมตายไม่เลยไม่เป็นอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นกว่ากับใจหรือว่าจบสิไม่เป็นอะไรในสิ่งที่มันเกิดขึ้นกวากับใจไม่ได้เห็นไม่เป็นเท่านี้เป็นที่สุดเป็นที่สุดเป็นองกุดธรรมในหัวใจของเรา เห็นไม่เป็นอะไรกับอลไรที่เกิดกับความกับเจนี่มันก็จบได้มันก็มีอันเก่าไม่ใช่เรื่องใหม่ความเจ็บความเก่าความเจ็บกวาเก่าความตายความเก่าไม่อยู่นี้จะติก็เห็นอย่างนี้เลยไม่เจ็บไม่เจ็บไม่ตายความเจ็บไม่ตายผวมตายไม่เจ็บผพรความเจ็บให้เลยสัมผัสเรื่องนี้ตั้งแต่นุ่มๆสาวๆนุ่มน้อย จะมีชีวิตที่ปลอดภัยพยาวนานทังกมจุเจนเป็นโชคเสียไปสมควรเจเวลาวันหนึ่ง